ไม่เชื่อนรกสวรรค์มีโทษร้ายแรงแค่ไหนถามมักมีผู้กล่าวว่าถ้าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ก็ถือว่ายังเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้หลงผิดเป็นผู้เที่ยงที่จะได้ไปสู่อบายอันนี้เท็จจริงอย่างไรบอกตรงตรงว่าอยากเชื่อแต่ไม่เคยปลงใจได้สนิทในเมื่อไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะให้หลอกตัวเองว่ารู้แจ้งเห็นจริงอย่างไรไหว ตอบเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นั้นชาวพุทธเรามีคนอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ามีจริงชนิดสุดลิ่มทิมประตูส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อแบบค้านหัวชนฝาส่วนพวกที่อยู่ตรงกลา ง, ลางนั้นผมไม่ค่อยอยากนับเพราะเมื่อสืบกันลึกๆแล้วพวกที่บอกว่าเผื่อใจไว้ทั้งสองแบบไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่แท้ก็แอบคิดเงียบๆไปในสุดตรงข้างหนึ่งอยู่ดีไม่เห็นจะเป็นกลางจริงสักคนและการจะบอกว่าใครเอียงไปทางเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นต้องดูด้วยว่าเป็นจังหวะไหนของชีวิตเขาบางคนสมัยวัยรุ่นท้าตีท้าต่อยกับเทวดามั่วไปหมดเพราะนึกว่าไม่มีเห็นเป็นเรื่องสนุกกับการท้าทายสิ่งที่ตนสรุปว่า ง, งมงายแต่พอโตขึ้นอีกหน่อย ผ่านความประจักษ์แจ้งว่าสิ่งที่ตนไปท้าทายเอาไว้นั้นน่าจะมีจริงและสนองความอยากรู้อยากเห็นของเขาด้วยประสบการณ์แสบๆคันๆก็เปลี่ยนเป็นคนที่มีศีรษะน้อมลงไหว้ได้ทั่วทั้งสิบทิศไปบางรายกลายเป็นคนทรงเจ้าไปเลยก็มีชาวพุทธกลุ่มที่เชื่อว่ามีนั้นมักแสดงความเป็นห่วงเป็นใยคนไม่เชื่อไปต่างๆนานา เข้าขั้นพยายามบีบบังคับแบบหักดิบทำนองว่าเธอต้องเชื่อเพราะแค่ไม่เชื่อก็ต้องไปนรกแล้วนี่เป็นคำที่ศาสนิกชนทั้งหลายมักใช้ทิมแทงกันไปไปมาความหวังดีก็กลายเป็นการสาบแช่งคนอื่นโดยไม่ทันรู้สึกตัวคือออกอาการทำนองว่าไม่เชื่อคนรู้ดีอย่างเราเดี๋ยวสวยเดี๋ยวเจอนรกสถานเดียวเป็นต้น การเชื่อแบบไม่รู้เห็นกับตัวว่านรกสวรรค์หน้าตาเป็นอย่างไรแถ่ไม่รู้จักเหตุแห่งการไปสู่นรกหรือสวรรค์อย่างแท้จริงนั้นยังไม่ถือว่าเป็นผู้พ้นจากความน่ากลัวนะครับเช่นเที่ยวไปสาบแช่งคนที่เขาไม่เชื่ออย่างเราเป็นประจำก็ได้ชื่อว่ายังนิยมในการเบียดเบียนด้วยวาจายังชอบทิมแทงให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บใจยังติดนิสัยคมขู่ให้ใครต่อใครหวาดกลัว อย่างนี้ย่อมเป็นผู้เหมาะที่จะได้รับผลสะท้อนกลับเป็นภพที่อาศัยอันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเต็มไปด้วยการทิมแทงให้เจ็บปวดเต็มไปด้วยความหน้าพรั่นพรึงอยู่คนเราชอบมีอำนาจชอบรู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลเหนือคนอื่นแล้วก็มาจะนึกว่าความรู้หรือความปักใจเชื่อของตนคืออำนาจ สามารถเอาไปใช้บีบให้ผู้อื่นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความเชื่อของตนนี่จึงมาเกิดโศกนาตกรรมทางวิญญาณเช่นพร่ำม์พูดเรื่องนรกสวรรค์ด้วยวิธีขู่เข็นบังคับหรือสาปแช่งเมื่อซักไซ้รายละเอียดเข้าก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเป็นแต่เพียงฟังคนอื่นมาดังนั้น แทนที่ผู้ฟังจะเกิดความคล้อยตามก็กลายเป็นรู้สึกต่อต้านพานจะทำให้เห็นนรกสวรรค์เป็นแค่เรื่องของคนงมงายไปหากปรารถนาดีกับผู้อื่นอย่างแท้จริงต้องเข้าใจให้ได้ว่าการบีบบังคับให้เชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงนั้นอาจทำลายศรัทธาเช่ก่อนที่ศรัทธาจะเกิดด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับยุคที่เต็มไปด้วยความน่าคลางแคลงนี้ เคยมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าทำนองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องพันนี้ด้วยวิธีใดดีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบโดยใจความสรุปคือเมื่อเราเป็นผู้สั่งสมบุญย่อมเกิดสุขทางใจในปัจจุบันและอุ่นใจว่าถ้าชาติหน้ามีเราย่อมเป็นผู้ได้สวยสุขในสวงสวรรค์แต่หากเราเป็นผู้สังสมบาปก็ย่อมเกิดทุกข์ทางใจในปัจจุบันและต้องหวาดหวั่นว่า ถ้าชาติหน้ามีเราอาจไม่คล้าต้องไปสวยทุกข์ในอบายภูมินอกจากนั้นท่านยังตรัสไว้ว่าการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องมีความสลักสำคัญเหนือการคาดหวังเหนือการพร่ำวอนเหนือการปักใจเชื่อตำตามกันมากล่าวคือเมื่อทำเหตุอันควรจะไปสู่สวรรค์แม้ไม่ปรารถนาหรือพร่ำภาวนาว่าเราจงไปสวรรค์ทุกข่ำเช้า เขาก็จะไปสู่สวรรค์อยู่ดีตรงข้ามเมื่อทำเหตุอันควรจะไปสู่นรกแม้ปรารถนาหรือพร่ำภาวนาว่าเราจงพ้นนรกทุกข้ามเช้าเขาก็ย่อมต้องไปสู่นรกอยู่ดีแม้จะเป็นผู้มีความเห็นถูกอยู่ส่วนหนึ่งคือเชื่อว่านรกสวรรค์มีแต่ยังมีความเห็นผิดว่าตนเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นไร การผูกเวรกับใครๆไม่ต้องรับโทษอย่างนี้เขาก็ยังได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่และตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนว่าคติข้างหน้าจะร้ายหรือดีเช่นเดียวกันหรืออาจจะยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อนรกสวรรค์เสียอีก